สำคัญนะวันหนึ่งนะสำหรับชาวพุทธเราเรียกวันนี้ว่าวันมาฆบูชาสำหรับคนทั่วไปนะแม้จะนับถือพุทธศาสนาแต่จะไม่น้อยนะก็ไม่รู้ว่าวันนี้สำคัญอย่างไรเช่นเดียวกับที่ไม่รู้ว่าวันวิสาขาบูชาหรือวันอาสาบูชานี่สำคัญอย่างไร บางทีก็เข้าใจสับสนนะไปเข้าใจว่าวันมาคาบูชาคือวันที่พูะเจ้าตัดสรุ้นะเป็นวันเดียวกับที่พระเจ้านะประสูติแล้วก็เป็นวันเดียวกับที่พู้เจ้าปรินิพพานนะหรือบางคนก็เข้าใจว่าไปว่าวันวิสาขาบูชาคือวันที่พูะเจ้าเนี่ยทรงแสดงปฐมเทศน า, าเข้าใจสับสนซึ่งก็เป็นเรื่องธรรมดานะ ส่วนหนึ่งก็เพราะว่าเราเกิดมาเนี่ยเป็นชาวพุทธแล้วก็ได้ยินนะคำ ว, ว่ามาะวิสาขะอาศาัละหะนี่มาตั้งแต่เกิดเราได้ยินบ่อยๆบางทีก็จำสับสนเพราะว่ามันลงท้ายคล้ายๆกันนะ มาคาวิสาขาอาสาละหะในการที่เราเกิดมาในสังคมชาวพุทธเนี่ยแล้วก็ได้ยินได้ฟังคำเกี่ยวกับพุทธศาสนาทั้งที่เป็นวันสำคัญก็ดีเหตุการณ์ก็ดีหรือธรรมะ ก, ก็ดีบางทีก็ ฟังบ้างๆนี่ก็สับสนหรือว่าปนเปกันเมื่อสักยีิปีก่อนนี้มีอาจารย์ท่านหนึ่งท่านไลายฟังว่าเนี่ยไปสอนอให้กับนักศึกษาปริญญาโทเกี่ยวกับเรื่องสังคมวัฒนธรรมไทยนักศึกษาปริญญาโทนี้ก็เป็นข้าราชการอ่า ชั้นกลางหรือระดับสูงก็หลายท่านนะก็เรียกเป็นคนมีอายุแล้วก็น่าจะเป็นคนที่มีการศึกษามากที่เป็นนัก ธ, ธุรกิจก็มีอยู่บ้างแต่ส่วนใหญ่ก็เป็นข้าราชการเพราะว่าตัวนหนึ่งคงจะเรียนอาวุธนะ น, นะเอาปริญญาเพื่อได้ไปใช้ในการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง นี่นึงอาจารย์ก็พูดถึงพุทธศาสนาแล้วก็ถามนักึกษา ว, ว่าเนี่ยหลักธรรมของพุทธศาสนาที่สําคัญเนี่ยคือไตรลักษณ์อันนี้อยากถามนักศึกษา ว, ว่าไตรลักษณ์เนี่ยได้แก่อะไรบ้างนักษาก็นิ่งนะนึกไม่ออกอาจารย์ก็แย้มมาข้อหนึ่งนะอันนี้จังข้อต่อไปล่ะนักษาวยังนึกไม่ออกนะ อาจารย์ก็เลยเฉลยว่าทุกขังนี่แหละแล้วข้อที่สามมันคืออะไรครานี้ทุกคนตอบพร้อมกันเลยนะพลังเมาได้ไงนะพลังเนี่ยอา น, นิจจังทุกขังแล้วก็พลังเนี่ยที่อานิจจังก็ต้อ ง, งทุกขังแล้วก็อนัตตาใช่ไหมแต่ว่าทําไมอา น, นิจจังทุกขังแล้วพลังเพราะคนไทยเราเนี่ยโดยเฉพาชาวพุทธเนี่ยเราคุ้นเคยคําว่าการให้พร น, นะอายุวันนะสุขะพละนะ อ, อายุวันนะาสุขขังพลังที่จริงอาจารย์ก็ไม่ได้บอกไม่ได้บอกว่าสุขขังนะพูดถึงทุก ข, ขังแต่ว่านักศึกษาหลายคนนี่ก็ไปนึกถึงสุ ข, ขังพอสุขขังก็พลังนั่นแหละนะจะต่อไปนี้ได้มันต้องเป็นคนที่อยู่ในวัฒนธรรมไทยนะจนกระทั่งสับสนระหว่างไตรลักษณ์นะกับพรปรปการอ น, นิจจังทุก ข, ขังอนัตตากับอายุ วันนสุขขังพลังเลยเนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็ธรรมดานะที่ชาวพูจธโนมากเนี่ยก็ไม่เข้าใจว่าวันมาค้าบูชามีความสำคัญอย่างไรก็ต้องทบทวนสักหน่อยนะถึงแม้ว่าจะดูซ้ำซากนะสับหลายคนแต่ว่าสำหรับบางคนก็เป็นเรื่องใหม่ พอเพิ่งมาสนใจพุทธศาสนาทานั้งๆที่ก็เกิดอยู่ในวัฒนธรรมพุทธมานานอธิบายเข้าใจจะได้ไม่สับสนกับความสำคัญของวันวิสาขะแล้วก็วันอาสาฬหะอย่างที่เราได้เรียนมาตั้งแต่เล็กนะวันมาคบูชาเนี่ยเป็นวันที่เรียกว่ามีเหตุการณ์สำคัญ เหตุ ก, การนั้นเนี่ยบางทีก็สุบสั้นๆว่าจ่าตูรงคสันนิบาตคือการประชุมที่ครบองค์สี่องค์4ี่นี่จะแก่อะไรนะก็คือ1น่งพระอรหันต์หนึ่รูปมาประชุมพร้อมกันโดยที่ไม่ได้นัดหมายที่วัดเวลุกวันไม่ได้นัดหมายเลยนะก็มาประชุมพร้อมกัน และสองนะพิสูจน์ทั้งหมดเนี่ยเป็นพืชที่ได้รับการอุปสมบทจากพระพุทธเจ้าเรียกว่าเอหิพุขุปสัมปทาอันนี้คือการบวชในสายพุทธการเริ่มแรกนะคือเป็นการบวชโดยพระพุทธเจ้าไม่มีพิธีรีอตองอะไรมากและสามทั้ง1 2นสองรูปนี้ก็เป็นพระหรหันขีนาศนี่ที่มีวิชาสามอภิญญาห คือไม่ได้แค่ตัดสรุรรมแจมแจ้งจนพ้นทุกแต่ว่ายังมีความสามารถพิเศษทางจิตด้วยนะแล้วก็ที่สี่ก็คือเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโอกาสในคืนวันเพ็ญนะเดือนสามอันนี้เราก็เคยที่นได้ฟังมาตั้งแต่เล็กนะก็พูดทวนหลายคนก็นึกออกแต่ที่จริงเนี่ยมันมี สิ่งสำคัญจีกประการหนึ่งนะที่ไม่อยู่ในองค์ประกอบทั้งสีเนี่ยซึ่งในความข อ, ข อ, ข อ, อตมานีสำคัญที่สุดนะโดยเ่าะสำคัญกับพวกเราเองนั่นคือเป็นวันที่พระเจ้าทรงแสดงธรรมนะที่เราโอวาทะปาติโมกธรรมะข้อนี้เนี่ยนะหรือว่าธรรมะหมวดนี้เนี่ยสำคัญมากเพราะว่าเป็นการสรุป หลักธรรมคำสอนของพุทธศาสนาในส่วนที่เราเรียกว่าจริยธรรมหรือข้อปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนาเนี่ยนะซึ่งมีมากมายถ้าสุยบย่อๆก็เหลือแค่2อนะอันที่1ก็คือสัจธรรมอันที่2คือจริยธรรมสัจธรรมคือความจริงความจริงที่เป็นกฎธรรมชาตินะที่ ไม่ว่าจะมีผู้เจ้าอุบัติหรือไม่นะมันก็คงตัวของมันอย่างนั้นหรือมีของมันอย่างนั้นเช่นอะไรก็กดไตรักเนี่ยอันนี้จังทุก อ, อั่างอนัตตาหรืออริยสัตสี 4. อริสัตสีนี้จริงก็ยังไม่ใช่สัจธรรมล้วนๆนะเพราะว่าส่วนที่ว่าเป็นมรรคแปดนี่ก็เป็นเรื่องของจริยธรรม แต่ที่เป็นสัจธรรมล้วนๆนี่คือปฏิจจสมุปบาทซึ่งเป็นสิ่งที่พระเจ้าเนี่ยส่งค้นพบนะในคืนวันเพนวิสาขามาศที่พระเจ้าตรัสรู้นะบรรลุภาษามาสมุทิญาณนี่ก็เพราะส่งเห็นความจริงที่เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทซึ่งเป็น คำอธิบายหรือความจริงของการเกิดทุกขนะ์การเกิดทุกข์นี่โดยเพราะความไม่ว่าจะเป็นความทุกข์ใจหรือความทุกข์ในชีวิตความโศกความลําไยลําพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความขัดแค้นใจรวมไปถึงการเกิดแก่เจ็บตายนี่นะปยปฏิจจสมบาตนี้อธิบายว่า ความทุกนี้เกิดขึ้นมาได้อย่างไรนะซึ่งเป็นธรรมะที่ลึกซึ้งมากส่วนอริยสัจสีนี้พระเจ้า ก, ก็ทรงแสดงนะในวันที่เราเรียกว่าอาสาละหะคือเป็นการแสดงปฐมเทศนาแต่ว่าโอวาทะปาิโมเนี่ยนะจะผูกโยงกับวันมาฆบูชานะั่นถือว่าเป็นเป็นเป็นข้อที่สำคัญนะก็เพราะว่ามันเป็นข้อปฏิบัติ นะที่จะช่วยให้ชีวของเราเนี่ยเป็นไปในทางที่ผาสุกเจริญงอกงามเกื้อกูลทั้งประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านส่วนจตรุงรงค์กสันธิบาลเนี่ยนะเรารู้ไว้นะเพื่อประดับสติปัญญาแต่ก็ไม่ได้มีความสำคัญขนาดที่จะ นำพาชื่อของเราเนี่ยให้พ้นจากความทุกข์ได้คือรู้ไปก็ไม่ได้ช่วยพ้นทุกข์นะแต่โอวาทปฏิโมกเนี่ยถ้ารู้แล้วเนี่ยปฏิบัตินี่มันก็ช่วยทําให้พ้นทุกข์หรือไกลจากความทุกข์ได้แต่ถ้ารู้แล้วไม่ปฏิบัตินะมันก็ไม่เกิดประโยชน์อาจจะเกิดประโยชน์บ้างนะในการแนะนําสั่งสอนผู้คน แต่ว่ามันไม่ได้ช่วยแก้ทุกของตัวเองได้แล้วก็ไม่ได้ช่วยทําให้ชื่ิของตัวเองเนี่ยนะมีความเจริญมีความผาสุกหัวตะติมโม่เนี่ยส่วนแรกเนี่ยนะเป็นแผนที่นําทางช่วิตคนเราแบบง่ายๆนะสรุปง่ายๆเป็นหัวใจของจริยธรรมในพุทธศาสนาก็คือ การแม่ทำบาปทั้งปวงการทำคุศลให้ถึงพร้อมการชาระจิตของตนให้ขาวรอบเป็นข้อปฏิบัติที่เข้าใจง่ายนะไม่ใช่เฉพาะสามข้อนี้เท่านั้นนะส่วนที่เหลือก็เหมือนกันนะเป็นข้อปฏิบัติส่วนใหญ่เป็นข้อปฏิบัติที่เข้าใจง่ายแล้วก็ปฏิบัติได้เลยอย่างที่บอกไว้แล้วว่าเนี่ย ในโอวาทปฏิโมนีิท่านจะสอนแต่เรื่องที่เป็นจริยธรรมข้อปฏิบัติเพื่อการเข้าถึงชีวิตอันประเสริฐที่เราเรียกว่าพรหมจรรย์ส่วนเรื่องศัจธรรมนี่ท่านก็พูดในโอกาสหรือไม่แล้วเช่นในอนัตตลักษณะสูตรเนี่ยนะก็พูดนะในโอกาสที่พรนะองค์ทรง แสดงธรรมให้กับปัญจวคัคคีหรือว่าธรรมจกกักปัฏฐานสูตรกัเหมือนกันซึ่งมีความยาวทำไมนะโอวาทปาติมโม่เนี่ยจึงเป็นข้อปฏิบัติที่กระชับปฏิบัติได้เลยแล้วก็ไม่ยาวนะเหมือนกับธรรมจกกักปัฏนสูตร แล้วก็อนัตตะลักสูตรอันนี้ก็เพราะว่าผู้ที่ฟังธทำเนี่ยนะล้วนแต่เป็นพระอระหันต์ท่านเข้าใจสัจธรรมแจ่มแจ้งแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยพเจ้าก็เลยไม่ได้แสดงธรรมที่ลึกซึ้งมากไม่เหมือนกับตอนที่แสดงธรรมจกกับปตนาสูตรเนี่ยตอนนั้นบรรจวักขีทั้งห้า ยังเป็นปุถุชนอยู่เลยแล้วก็ยังมีความคิดที่เรียกว่าสุดตง่งหรือว่าเป็นมิจฉาทิฐิคือมีความคิดในทางที่เชื่อในทางสุดตง่งโดยเพราะอัตตกิริมัฐานุโยกการทรมานตนปุจ้ารดึงแสดงทำที่ชื่อว่าทางสายกลางแล้วก็แจกแจงเป็นอริยสัจสี่นะ ยิ่งอนตัตตลักษณะสูตรแล้วนี่เป็นธรรมที่ลึกซึ้งมากเพราะว่าผู้ฟังเนี่ยก็คือปัญจวัคคีย์ซึ่งแม้ว่าจะได้บรรลุ ธ, ธรรมเป็นพระโสดาบันแล้วแต่ว่าพอได้ฟังอนตัตตลักษณะสูตรเนี่ยซึ่งเป็นสัจธรรมที่ลึกซึ้งเนี่ยก็บรธธ ร, รลุอรตะผลเลยนะเข้าใจสัจธรรมที่ลึกซึ้งอย่างแจ่มแจ้งคราวนี้พอเป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ย ความจําเป็นที่จะต้องเรียนรู้เข้าใจศัจธรรมไม่มีแล้วมีแต่เรื่องของการที่จะไปสั่งสอนญาติโยมพอพระอรหันต์ท่านเรียกว่าประโยชน์ตนท่านถึงพร้อมแล้วชาติสิ้แลพรมจรรย์อยู่จบแล้วกิ่จะทาเพื่อคําเพื่ออย่างนี้ไม่มีอีกนะเมื่อเพื่ออย่างนี้คือการพ้นทุกข์หรือการไปบำเพ็ญประโยชน์ตนหรือแต่ประโยชน์ท่านที่ต้องทาต่อ ยท่านนี่คือะไรการสอนอันนี้ผู้เจ้าเนี่ยก็แสดงอวัตปัทธปฏิโมเนี่ยคือเพื่อเป็นประเด็นประเด็นสำคัญสำหรับการนำไปสอนญาติโยมไปสอนผู้ที่ยังมีกิเลสยังมีความหลงอยูอ่เป็นข้อปฏิบัติเพื่อนำไปสู่ความพ้นทุกข์ที่ทำได้เลย ครูเจ้าก็จะพูดเป็นประเด็นประเด็นไปนะนะภาษาสมัยใหม่เขาเรียก talking point นะเ ป, นปะเ็นประเด็นประเด็นเพราะฉะนั้นก็ไม่ยืดยาวเริ่มต้นในการสรุปสาระสำคัญสามประการที่เราสุปง่ายๆว่าการเว้นชั่วการทำดีและการทำจิตให้ผ่องใสอันนี้เนี่ยมันเป็นข้อปฏิบัติพื้นฐานเลยนะซึ่ง แม้เพียงเท่านี้เนี่ยชาวผู้จำนวนมากก็ยังเข้าใจตกหล่นนะอย่างที่พูดเมื่อเช้าเนี่ยก็จำได้หรือนึกได้แค่สองข้อแรกที่เราเรียกว่าละชั่วทำดีแต่ว่าข้อสามเนี่ยคือการทำจิตให้บริสุทธิ์ผ่องใสเนี่ยอันนี้เนี่ยมักจะมองข้ามอันนี้พูเจ้าเนี่ยสรุปหลักการ หรือข้อปฏิบัติ3ประการแล้วนี่ก็มีการขยายนะหรือมีข้อปฏิบัติเพิ่มเติมเพื่อส่งเสริมให้การปฏิบัติ3ข้อนี้เนี่ยเป็นไปได้ดีผมอธิบายว่าเนี่ยการไม่ผูดร้ายการไม่ทําร้ายการสํารวจในปฏิโมกต์การรู้ประมาณในการบริโภคการนอนการนั่งในที่อสงัดรวมทั้งการทําจิตให้ยิ่งหรือการประกอบจิตให้ยิ่ง ทั้งหข้อนี้ก็ไปไปเสริมกับ3ข้อแรกเพราะว่าถ้ายัางพูดร้ายยังทำร้ายนี่ก็มันก็ไม่อาจที่จะก้าวหน้าในชีวิตทางธรรมหรือช่วตพรหมจันท์ได้พรหมจันท ร, ร์ในที่นี้คือช่วยธรรมประเสริฐไม่ได้หมายถึงช่วยพระที่ไม่มีคู่เท่านั้นเราก็ต้องรู้จักบริโภคนะรู้จักประมาณในการบริโภค ซึ่งก็เป็นเรื่องใหญ่นะสำหรับคนในยุคนี้พอเดี๋ยวนี้เราไม่รู้จักประมาณในการบริโภคเราเสพกันมากเหลือเกินแค่เสพทางปล่านี่ก็ทำให้เป็นโรคนานาชนิดนะไม่ว่าจะเป็นโรคมะเร็งโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองเบาหวานไตาวายโรคไตโรคอ้วนความดันสารพัด นี่เพราะว่าไม่รู้จักประมาณในการบริโภคแล้วมันไม่ใช่แค่เกิดโรคทางกายมันเกิดกิเลสพ่องปูนทางใจด้วยซึ่งก็นําไปสู่การสร้างทุกข์ให้กับตนนี้และกับผู้อื่นต่อไปรู้จักประมาณในการบริโภคเราต้องนอนนั่งในที่ส ง, งัดที่ส ง, งัดนี้เนี่ยนี่คือสิ่งสําคัญเนี่ยที่พระเจ้าเนี่ย ให้ความสําคัญกับคำว่ารมณีรมณีหรือถินรมณีเนี่ยคือที่ที่สงบสงัด ร, ร่มรื่นนะที่กล่อมกลาวจิตใจให้สงบแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยมันจะหาถิ่นรมณีได้ยากแล้วแต่เราก็ต้องรู้จักขนขวายนะอย่างน้อยๆเนี่ยก็ไม่ไปไม่ไปเพิ่มที่หลับที่นอนหรือที่อยู่ให้มันวุ่นวาย แดีนี้เราแม้จะอยู่ในห้องแอร์นะไม่มีเสียงรบกวนเพราะว่าปิดประตูหน้าต่างแต่ว่ามันก็ไม่สงันะเพราะว่าเปิดโทรศัพท์มือถือไว้ซึ่งสามารถที่จะปลุกเราเราให้ตื่นหรือมิฉะนั้นเนี่ยก็ดูโทรศัพท์มือถือกันจนดึกจนดืนอย่างนี้มันก็ไม่สงบสงันะแม้ว่าจะไม่มีเสียงจากภายนอก รอดเข้ามาในห้องเลยแล้วพอไม่สงบสงัดภายนอกแล้วมันก็ใจมันก็ว้าวุ่นภายในพอว้าวุ่นภายในแล้วเนี่ยนะในการที่จะทำความดีสร้างกุศลมันก็เริ่มยากแล้วโอกาสที่จะทำชั่วด้วยความสับสนด้วยความโกรธด้วยความเกลียดด้วยความหลงมันก็นาไปสู่การพูดร้ายการทาร้ายได้ แล้วท่านก็มีประเด็นอีกนะว่าเนี่ยจะทํานี้ได้เนก็ต้องมีการสํารวจในปฏิโมกข์สำนักปฏิโมกน์ในสคารว่าก็ก็คือศีลหหรือว่ากุศลกรรมบท10นะเป็นเพื้งตน้นไม่ใช่ว่าจะต้องเป็นปฏิโมกของพระอย่างเดียวโยมก็มีปฏิโมกเหมือนกันคือข้อปฏิบัติที่กํากับกายวาจา เพราะถ้าไม่นะมัก็พูดร้ายทำร้ายได้ง่ายแล้วสุดท้ายเนี่ยนะก็ต้องมีการทำจิตให้ยิ่งคือการฝึกจิตให้เจริญ ง, งอกงามทั้งหมดนี้เพื่ออะไรนะเราจะเห็นคุณค่าสิ่งนี้ได้เนี่ยก็เพราะเรามีศรัทธามีความเชื่อในอุดมปฏิ ส, สูดของชีวิตคือ น, นิพพาน อันนี้ก็เป็นประเด็นนะที่ผูเจ่าได้มอบหมายเวลาพระรหันทั้งพ2นสริรูปเนี่ยรวมทั้งรูปอื่นๆด้วยซึ่งไม่ได้มาซึ่งมีอีกเยอะนะปัญจวัคคีย์ก็ไม่ได้มาพระสายบุตรพระโมคคัลลนะก็ไม่ได้มาร่วมประชุมพัทธวัคคีสามสก็ไม่ได้มาสหายของจัตสกุลบุตรนะห้ก็ยังไม่ได้มาร่วมประชุมด้วยมีอีกเยอะ แต่ทั้งหมดนี้เนี่ยก็มีจุดหมายมีภารกิจเดียวกันคือการสอนทำให้กับผู้คนเพื่อนำไปสู่ความสงบเย็นจนกระทั่งถึงขั้นพ้นทุกข์อุบาตปฏิหมนัยเป็นการย้ำว่าอุดมคติของชาวพุทธเนี่ยไม่ใช่อะไรอื่นนะคือพระ น, นิพพาน อ น, นิพานเนี่ยนะถือว่าเป็นประโยชน์สูงสุดนะที่เขาเรียกว่าปรามัดฐานประโยชน์ที่มนุษย์เราควรจะได้จากชีวิตเนี่ยมันมี3 1ก็คือประโยชน์ชั้นตนนะิทัตธรรมิกฐถนคือการมีสุขภาพดีการมีอาชีพที่ดีการมีครอบครัวดีมีการงานดีมีมิตร ด, ดอีอันนี้คือความสุขเบื้องต้นนะเรียกประโยชน์ตาเห็นประโยชน์ปนัจจุบัน แต่ท่านไม่พอนะหรือจะมีสิ่งนั้นได้มันต้องมีหรือเข้าถึงประโยชน์ขั้นที่2นะที่กับสามประโยชน์ก็คือคุณภาพจิตเช่นมีศรัทธามีจาระมีศีลมีศรัทธามีปัญญาสิ่นี้เนี่ยเป็นประโยชน์ที่มนุษย์เราควรจะเข้าถึงนะพะถ้าหากว่าเรามีศรัทธาที่ถูกต้องมีศีล ท, ที่ดีงามาเออเรู้จักเอื้อเฟ้อแบ่งปันนะ แล้วก็มียิ่งมีปัญญาด้วยแล้วนี่ในการที่เราจะพบความสุขทางใจนี่ไม่ใช่แค่ความสุขทางโลกมันก็เกิดขึ้นได้ง่ายแต่ว่าประโยชน์ที่เราจะได้จากความเป็นมนุษย์ยังมีมากกว่า น, นั้นนะถ้าเรียกว่าปรัมมัทะคือประโยชน์สูงสุดนั่นคือนิพพานแต่ว่าเวลาเนี่ย การที่คนเราเนี่ยเมื่อยึดถืออนิพานเป็นเป้าหมายสูงสุดของชีวิตเนี่ยมันหมายถึงว่าเราพร้อมที่จะฝึกจิตให้ไม่ยึดติดอยู่กับทรัพย์สินเงินทองชื่อเสียงหรือว่าลาบดสุขสารเสริญเพราะอะไรนะเพราะว่ามันไม่ได้เป็นที่หมายของความสุขที่แท้ มีลาบมียศนะมีสุขอย่างโลกโลกมีสารเสริญก็ยังมีความทุกข์เพราะได้ไม่สมอยากหรือได้แล้วก็พบว่ามันเสื่อมสลายไปนะได้ลาบเสื่อมลาบได้ยศเสื่อมยศสุขก็แปลเปลี่ยนไปเป็นทุกข์สารเสริอก็แปลเปลี่ยนเป็นอินทาไอพวกนี้เนี่ยมัน เป็นสิ่งที่ไม่มีใครหนีพ้นนะอันถ้าคนเราเอ า, าราชโยสุกราเสริญเป็นสารณาของชีวิตเนี่ยสุดท้ายมันก็ต้องจบลงด้วยความทุกข์นะเมื่อเกิดเจอดุขพันผวนแปรปรวนแต่ท้าคนเราเนี่ยเห็นว่าเนี่ยลาชโยสุกราเสริญเนี่ยมันไม่ใช่มันไม่ควรจะเป็นเป้าหมายสูงสุด ข, ของชีวิตเป้าหมายสูงสุด ข, ของชีวิตคือนิพพาน นั่นคือการที่จิตเป็นอิสระจากความยึดติดถือมั่นอิสระจากกิเลสอันนี้เมื่อน้อมเอานิพพานเป็นอุดมปติของชีวิตแล้วหประการดังที่กล่าวมาเนี่ยมันคือผลทางหรือผู้ยันคือเป็นบันไดเป็นบันไดหขั้นที่จะนําเราไปสู่พระนิพพาน ทังหขั้นเนี่ยนะถ้าว่าเราเริ่มปฏิบัติเนี่ยมันก็จะพาให้เราประสบกับประโยชน์ชั้นต้นก่อ น, น, นถ้าเราทําหัวประการนี้ได้เนี่ยประโยชน์ชั้นต้นประโย ช, น, น, โยช น, น์ทันตายเห็นการมีสุขภาพดีการมีมิตร ด, ดีการมีการงานดีครอบครัวดีมันก็เกิดขึ้นได้ง่ายแต่ว่าท่องหัวประการ น, นี้สามารถจะให้เราได้มากกว่า น, นั้นพาเราเข้าถึงสามประยุกต์ธร ประโยชน์ขั้นกลางแล้วสามารถจะพาเราเข้าถึงประโยชน์ขั้นสูงปรมถาถะได้เรียกว่าเป็นบันได6ขั้นที่พาเราเข้าสู่ประโยชน์3และสุดท้ายก็เข้าถึงพระนิพพานอันนี้ก็เป็นบทสรุปนะที่พรอาจารย์เนี่ยทรงตัดเป็นข้อๆย่อๆเพื่อให้พระอาหารหันต์ทั้ง1210รรูปเนี่ย นำไปสอนกับญาติโยมและที่สำคัญเนี่ยคือข้อสุดท้ายเนี่ยการประกอบหรือการทำจิตให้ยิ่งเนี่ยที่จริงแล้วเนี่ยนะมันเป็นข้อสำคัญทีเดียวเป็นข้อสำคัญที่ทำให้พระอรหันต์ทั้งพ2น0ิรูปเนี่ยได้เข้าถึงสัจธรรมจนพ้นทุกข์ได้ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่สำหรับคนที่คิดว่า เราทำได้แล้วการไม่พูดร้ายเราก็ทำได้แล้วไม่ทำร้ายใครเราก็ทำได้แล้วนะเรารู้จักสำรวมในปาฏิมโมกข์อยู่ในกรอบของศีลธรรมรรนะสี่ห้ากุศลกรรมบท10บเราก็ทำแล้วนะรู้จักประมาณในการบริโภคมีความสันโดษเราก็ทำแล้วหรือว่าการนอนการนในเที่ยงสงัดเราก็ทำแล้ว สิ่งที่มองข้ามไม่ได้คือการประกอบในการทำจิตให้ยิ่งหรือการฝึกจิตนั่นเองสำคัญมากนะเพราะว่าถ้าเราไม่ไม่ฝึกตรงนี้เนี่ยก็ยังมีความหลงครอบงำยังมีความทุกข์เพราะความยึดติดในสิ่งต่างๆ จะทำให้เราเนี่ยไม่เป็นอสลักถ้าเราจากฝึกจิตนะเราก็จะพบว่าจริงๆแล้วความทุกเนี่ยนะมันไม่ได้อยู่ที่ไห น, นมันอยู่ที่ใจของเรานี่แหละเมื่อครั้งที่ยศ ก, กุลบุญเนี่ยนะซึ่งร่ำรวยมากนะเป็นลูกของเศรษฐีซึ่งมีฐานะร่ำรวยพอๆกับ พระเจ้าสุดโทธนะมีประสาทสามหลังนะเช่นเดียวกับเจ้าชายสิทธัตถะนะเจ้าชายสิทธัตถามีอะไรเนี่ยยสบกุลระบุตก็มีอย่างนั้นนะประสาทสามหลังเป็นต้นแล้วก็ใช้ชุวิตอย่างสำเริงสาราญ น, นะเรียกว่าถ้าเป็นสมัยนี้คือดูหนังฟังเพลงนะแล้วก็ เสพสุราได้ทั้งวันทั้งคืนแต่ว่าวยาสุกรบุตรเนี่ยก็ไม่มีความสุขหลังจากเสพนะการมาสุขเข้าไปอย่างเต็มที่ทั้งตาหูจมูกลิ้นกายปอกว่าใจนี่กลับเป็นทุกข์กลางดึกนี่ต้องเดินออกมาจาก ปราสาทในขณะที่หญิงที่เริงระบำนอนกายกองกันเพราะว่าเหนื่อยอ่อนจากการละเล่นเพื่อวนเปรยัสกุลระบุตรแต่ยสัสกุลระบุตรมีความสุขเลยเดินออกไปจากบ้านจากปราสาทแล้วก็ยังไม่มีจุดหมายล่องลอย พร้อมกับอุทานว่าที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่ขัดข้องหนอแล้สุกุลเราเบเข้าใจว่าไอ้ที่นี่เนี่ยก็คือที่ที่ตัวเองอยู่นะประาศาสตรที่แม้จะอุ ด, ดมไปด้วยความสุรงสงรารแต่มันไม่ได้ให้ความสุขอย่างแท้จริงแถมวุ่นวายซิกนะก็เดินพึมพำด้วยความสับสนแล้วก็อุทานว่าที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่ขัดข้องหนอ จนทังเดินเข้าไปในป่าสิบปัตนมรุกขัยวันและพบพระพุทธเจ้าพูะพุทธเจ้านี่ตอนนั้นก็ยังไม่ได้บรรทมนะก็ได้พูดกับยะสกุลบุตรว่าที่นี่ไม่บุญนวายที่นี่ไม่ขัดข้องก็ทำให้ยะสกุลบุตรเนี่ยสุดใจว่ามีด้วยเหรอก็เลยหายมาสนทนารามกับพระพุทธเจ้า แลพระอาจายนี่ก็แสดงธรรมนะที่เราอนุปุพิกถาและตาม่อริสัท4บีบว่าระสุกบุญเนี่ยบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันเลยถึงตอนนั้นก็จึงพบว่าไอ้คำว่าที่นี่บุญนวายหนอที่นี่ขัดข้องหนอมันไม่ใช่สถานที่แต่มันคือภาวะจิตใจสถานที่เนี่ยไม่ได้ทำให้เป็นทุกข์ แต่ที่ทุกข์ก็คือเพราะาจิตใจที่ว้าวุ่นที่ไม่มีสติที่ไม่รู้จุดหมายของชีวิตหรือเพื่อ็คือว่าไม่มีไม่เข้าถึงธรรมนั่นเองเป็นพราะรู้เช่นนี้แล้วนะว่าไอ้ที่วุ่นวายเนี่ยไม่ใช่ข้างนอกไม่ใช่สถานที่แต่พินิตใจนะพอได้เข้าถึงธรรมจากการฟังธรรมและพิจารณาตามเนี่ยนะก็หายสงสัยหายสับสน และพบ ว, ว่าได้เข้าถึงแล้วความสงบความสงบอยู่ที่ใจที่มันว้าวุ่นเนี่ยมันไม่ใช่เพราะสถานที่นะแต่เป็นเพราะใจที่ไม่เข้าถึงธรรมตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญนะพราคนเราเนี่ยมักจะมักจะมองว่าความทุกข์มาจากภายนอกอาจจะมาเพราะว่ า, า จ, จะมาเป็นเพราะว่ามีเงินไม่อพอเงินในกระเป๋าน้อยไปหรือเพราะว่า มีคนทำไม่ถูกใจมีคนต่อว่าด่าทอแลไปคิดว่าเนี่ยคือที่มาแห่งความทุกข์ในใจเราแต่ที่จริงแล้วเนี่ยถ้าว่ารู้จักทำจิตคือหันมามองใจของตัวอยู่เนื่งๆก็จะพบว่าแต่ดังทุกเนี่ยนะมันอยู่ที่ใจเรานี่เองเมื่อเร็วๆนี้นะมันมีเพลงดังอยู่เพลงหนึ่งนะ ตั้งแต่เมื่อสักสอเดือนที่แล้วแล้วเพลงนี้ถ้าบอกบอกชื่อเด็กก็รู้จักนะวัยรุ่นก็ยิงรู้จักนะทรงอย่างแบดนะทรงอย่างแบดนั่นเด็กรู้จักกันก็พรว่ามีโรงเรียนหนึ่งนะเอาเพลงเนี่ยมามาใช้นะในการสอนวิชาศิลธรรม ที่จริงเอามาสอบ ม, มากกว่านะถามนักศึกษานักเรียนซึ่งเป็นวัยรุ่นที่เป็นเด็กนะมีข้อหนึ่งถามว่าข้อความต่อไปนี้ข้อใดเนี่ยตรงตามหลักอัยสัตในเรื่องทุก็กดีนะครูก็เอาเพลงที่เด็กวัยรุ่นสนใจนี้เอามา เป็นประเด็นในการตั้งคำถามให้รู้จักคิดจากมุมมองพุทธศาสนานะว่าเนี่ยริษัทสเนี่ยที่ว่าโดยทุกเนี่ยข้อความไหนนะที่มันใช่ 1. น, นะเธอไม่อินสองทรงอย่างแบด 3. แซดอย่างบอยสี่ปล่อยเธอไป ทรงอย่างแบดนี้นะก็หมายความว่าแต่งตัวหรือทําประกับกริยาอย่า ง, างเด็กเด็กเกเรนะแบดนี้คือแบดเนี่ยแซดอย่างบอยก็คือเศร้าเศร้าอย่างบอยก็เด็กหลายคนก็ตอบนะข้อหนึ่งมั่งละข้อสองมั่งละแต่ว่าผู้ฉเฉลยบอกว่าที่ถูกเนี่ยคือข้อสามนะแซดอย่างบอยส่วนที่ มีเด็กบางคนตอบว่าเธอไม่อินเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ทุกนะอันนั้นเป็นสมุททยออลองพิจารณาคำเฉลยดูนะแอย่างบอยเนี่ยคือเศร้าเศร้าอย่างวัยรุ่นนะอันนี้มันก็เป็นมันก็คือทุกนั่นเองนะแต่ว่าคำเฉลยว่าสมุไทไยเนี่ยเธอไม่อินเนี่ยคือสมุทัยเนี่ย อนนน่าคิดนะว่าใช่หรือเปล่าเธอไม่อินก็คือเธอไม่รักนะพอเธอไม่รักหนุ่มก็เลยเศร้าเศร้านี่คือทุกข์นะถามว่าเธอเธอไม่รักเธอไม่อินเนี่ยคือสมุทัยหรือเปล่าถ้าชาวโลกทั่วไปก็บอกว่าสมุทัยเนี่ยคือเธอไม่อินคือเธอไม่รักพอเธอไม่รักฉันก็เลยอกหักอกหักคือแท้ย่างบ่อย อย่งนี้ถ้าเราดูให้มองอย่าพุดธนะไอ้เธอไม่อินเนี่ยนะมันไม่ใช่สมุทัยนะการที่คนหนึ่งไม่รักเราเนี่ยมันไม่ใช่สมุทัยหรือเหตุแห่งความเศร้านะเหตุแห่งความเศร้าคืออะไรคือการที่ไปหลงรักเขาหรือไปคาดหวังเขาขยายเขารักนะอันนี้ถ้าพูดในภาษาธรรมคือตัณหาห น, นเองพอมีตัณหาเขา คื อ, อย้ายเข้ารักพอเขาไม่รักมันก็เลยเศร้าไงเพราะฉะนั้นเนี่ยที่เขาเฉลยว่าเธอไม่อินเนี่ยคือสมุทรไทยเนี่ยมันก็ไม่ใช่นะในทางศาสนานเนี่ยการที่ไปคาดหวังให้เขารักเราหรือการปรารถนาความรักจากเขาตังหานี่คือสมุทรไทยเพราะว่าถ้าไม่มีความปรารถนาหรือคาดหวังให้เขารัก เขาไม่รักเราก็ไม่ทุกข์นะก็เหมือนกับถ้าเราไม่ปรารถนาให้คนชมถ้าคนไม่ชมเราเราก็ไม่ทุกข์แต่ที่เราทุกข์เพราะเราปรารถนาคําชมนะปรารถนาการเป็นที่ยอมรับปรารถนาหรือคาดหวังให้เขาผู้ถูกใจเราพอเขาพูดไม่ถูกใจเราเราก็เลยทุกข์ แต่ที่ทุกเนี่ยสายเหตุที่แท้จริงก็คือความปรารถนาความคาดหวังในใจเรามากกว่าตรงนี้แหละนะ่าท่าว่าเรารู้จักประกอบในการทําจิตให้ยิ่งเนี่ยหรือการฝึกตนดูจิตอยู่เสมอก็จะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเหตุทุกเนี่ยมันอยู่ที่ใจเราซึ่งก็รวมไปถึงความยึดมั่นความอยากหรือบางทีเรียกรวมๆ ว, ว่าความยึดติดถือมั่น ถ้ามีติดถือมั่นนะในสิ่งใดแม้สิ่งนั้นมันจะสูญสลายไปก็ไม่ทุกเวลาข้าของเสียหายเงินเงินถูกขโมยที่เราทุกเนี่ยเพราะเราไปยึดนะว่าเงินเป็นของเราเวลาเราป่วยแล้วเราทุกเนี่ยมันไม่ใช่เพราะความป่วยทําให้เราทุกแต่เป็นเพราะเราไปยึดนะว่าร่างกายนี้เป็นเราความป่วยนี่มันทำให้มันแค่ทําให้ทุกกาย แต่ที่ทุกข์ใจเนี่ยเพราะว่าไปยึดว่าร่างกายนี้เป็นเราหรือไปยึดว่าร่างกายนี้มันต้องต้องหนุมต้องสาวต้องต้องแข็งแรงพอร่างกายไม่เป็นไปอย่างที่คาดหวังก็เลยทุกข์การที่คนเราเจะเห็นสมุทัยนะหรือเห็นเหตุแห่งทุกข์อยู่ที่ใจเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะเพราะเวลาเรามีความทุกข์เวลามีความโกรธเรามักจะไปทั่วข้างนอกทัเสียงดัง โทษการกระทาหรือคาพูดของใครบางคนแต่เรามักจะไม่ค่อยมามองใจนะว่าเป็นพ่อเรานะมีความยึดติดถือมัน่นมีความคาดหวังหรือเปล่าอาชาติสารุ่ยท่านพูดดีนะท่านบอกว่าไม่มีอะไรหรือใครจะทำให้เราโกรธหรือจะทำให้เราทุกข์ได้มีแต่เขามาเชิญมาชวนให้เราโกรธมาเชิญมาชวนให้เราทุกข์ ดูที่ว่าเราจะรับคำชวนคำเชิญของเขาหรือเปล่างั้นถ้าเรากลัวถ้าเราทุกข์าจว่าเราไปรับคาเชิญคำชวนของเขาแล้วจะโทษใครนะถ้าเราไม่รับคำเชิญคำชวนเราจะทุกข์ไหมนะอันนี้คือสิ่งที่คนไม่ค่อยมองเท่าไหร่ไม่ได้มองว่าเราเนี่ยมีส่วนในการทำให้เกิดความทุกข์ในใจไหมใจเราไปร่วมมือหรือเปิดช่องให้ไหมอุจจะตัดว่าเนี่ย มือที่ไม่มีแผลจับต้องยาพิษก็ไม่เป็นอะไรจะเป็นอะไรก็ต่อเมื่อมือมีแผลคําถามคุณทาถ้าว่าเราทุกเนี่ยนะหรือว่าเกิดอันตรายขึ้นมาเนี่ยมันจะโทษยาพิษทีเดียวก็ไม่ได้นะมันต้องโทษว่าทําไมปล่อยให้มือมีแผลแล้วเมื่อมือมีแผลแล้วทําไมไปจับยาพิษนะแล้วพอเจ็บพอเกิดอันตรายขึ้นมาจะไปโทษยาพิษได้อย่างไรพอเท่ามือไม่มีแผลมันก็ จับยาพิษก็ไม่เป็นอะไรไอยาพิษนี่อาจจะเป็นคำต่อว่าด่าทอการกระทาคำพูดที่ไม่ถูกใจมันทำอะไรเราไม่ได้นะถ้าใจเราเนี่ยไม่เปิดช่องนะหรือที่ถ้าอาจารย์ชาสาโรใช้คำว่าไม่รับคำเชิญไม่รับคาชวนหรือว่าไม่ร่วมมือด้วยเพราะนั้นเนี่ยนี่คือสิ่งที่เราจะต้องมองให้เห็นนะ เพราะว่าถ้าเรามองอย่างนี้ได้เนี่ยเราก็จะพบว่าเพียงแค่เราปรับเปลี่ยนที่ใจมันก็ช่วยลความทุกข์ไปได้เยอะอาจจะยังมีความทุกข์กายอยู่เพ่อะแก่เพราะเจ็บอาจจะยังมีความสูญเสียทรัพย์พัดพลาดจากของรักแต่ไม่เกิดความทุกข์นะไอความทุกข์เนี่ยไม่ได้เพราะเกิดความสูญเสียหรือเพราะมีใครเอาไปแต่เป็นเพราะเราไปยึดสิ่งนั้น ที่จริงคำว่าสูญเสียมันก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นพ่อเราไปยึดว่าเรามีไปสำคัญว่ามีเพราะเสียมันเกิดขึ้นได้เมื่อมีแต่ความยึดว่ามีนั่นแหละคือปัญหาเพราะที่จริงเนี่ยมันต้องมีความยึดปั้นถือมั่นว่ามีซะก่อนหรือว่ายึดมั่นถือว่าเป็นของเราถ้าไม่ยึดมั่นถือว่าเป็นของเราไอ้คาว่ามีมันก็ เป็นของสมมุติเท่านั้นเองเมื่อไม่ยึดว่ามีมันก็ไม่มีคำว่าเสียเมื่อไม่ยึดคาว่าได้มันกม็มีคำว่าหมดนะนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเราผันกับมมาไข้ครควรใในใจของเรานะรู้จังมองตนอย่างที่ท่านใช้คำว่าการชำระจิตของตนให้ขาวรอบหรือการประกอบในการทำจิตให้ยิ่ง เริ่มต้นการมองตนใคร่ควรวญให้เห็ น, นเวลามีความทุกข์เนี่ยอย่าเอาแต่คร่ำครวญให้ใคร่ควรวญซะก่อนพราถ้าร่ำเพราะถ้าคร่ำ ค, ครวญแล้วเนี่ยมันจะไปโทษกลดาชตา ก, กรรมแต่ว่าถ้าใคร่ควรวญก็จะพบว่าไอ้ทุกข์เนี่ยเห็นแห่งทุกข์อยู่ที่ใจเรานั่นแหละทุกข์เกิดขึ้นที่ใจเห็ุมันก็เกิดขึ้นที่ใจนั่นแหละงั้นถ้าเราเข้าใจงี้เนี่ย คือเข้าใจสมุดไทยอย่างถูกต้องการที่เราจะบำบัดทุกหรือว่าทำให้ทุกหมดไปเนี่ยมันก็อยู่ในวิสัยที่เป็นไปได้แม้เรายังต้องแก่ต้องเจ็บแม้เราต้องพัดผ้าสูญเสียแต่ว่าใจไม่ทุกข์ลวเหมือนกับว่าโดนยาพิษยังไง ก็ไม่เกิดอันตรายเพราะว่ามือไม่มีแผลอันนี้แหละนะ่คือหนทางที่จะนำไปสู่พระนิพพานหรือถึงแม้จะยังไม่ถึงนิพพานก็ทำให้ความทุกข์บรรเทาเบาบ า, บางลงซึ่งก็เป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาอยู่แล้วงั้นถ้าเราปฏิบัติทำทั้งหกประการในโอวัตปฏิโมกได้เนี่ยโดยเพา ะ, ะนำมาเสริมกับสามข้อแรก นะการไม่ทำบาปทั้งปวงการทำกุศลอยูถึงพร่อมการชำระจิตของตงัวให้ขาวรอบให้การที่ช่วยเราจะเป็นไปนทางทิ่งดงามนะสงบเย็นนะกลายจากความทุกข์ก็เป็นไปได้และนี่คือสิ่งที่ผู้คนคิดตรงผู้คนปรารถนาไม่ใช่หรือนะจึงบอกว่าเนี่ยในวันมาคบูชาเนี่ยจาาตุรงก็สันธิบาทเนี่ยคืออะไรจำไม่ได้ไม่เป็นไรแต่น้อยจาให้ได้ว่า พระเจ้าสอนอะไรในวันนั้นสอนอะไรก็ตามจำได้แล้วไม่พอต้องปฏิบัติ ด, ด้วยโดยเพราะข้อสุดท้ายสำคัญมากคือการชำระจริตของตรงให้ขารอดหรือการประกอบในการทำจิตให้ยิ่ง